สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธยาพิบาล น, นะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในพระธรรมหนึ่งพงศษบทที่16ข้อที่21จนถึงข้อที่34โปรดฟังประวัจจนะของพระเจ้าครั้งนั้นประชากรอิสราเอลแตกแยกเป็น2ฝ่ายฝ่ายหนึ่งสนับสนุนอมามรีอีกฝ่ายหนึ่งสนับสนุนทิปนีบุตรกีนั แต่ฝ่ายอเมรีเข้มแข็งกว่าฝ่ายทิปนีบุตรกินัดดังนั้นทิปนีจึงถูกฆ่าตายและอเมรีขึ้นเป็นกษัตริย์อเมรีขึ้นเป็นกษัตริย์แห่ง Israel, อิสราเอลตรงกับปีที่31ของราชการกษัตริย์อาสาแห่งยูดาทรงครองราชอยู่12ปีโดยปกครองอยู่ในธิรซา6ปีอเมรีทรงซื้อภูเขาสมาเรียจากเชเมอร์เป็นเงินหนักประมาณ70กิโลกรัม แล้วทรงสร้างเมืองขึ้นบนภูเขาขนาบนามว่าสมาเรียตามชื่อเชเมอร์เจ้าของเดิมแต่อเมรีทรงทำสิ่งที่ชั่วในสายพเนจรขององค์พระผู้เป็นเจ้าและทรงทำบาปยิ่งกว่ากษัตริย์องค์ก่อนๆทุกองคอเมรีทรงดำเนินตามวิถีทั้งสิ้นและทรงทำบาปแบบเดียวกับเยโรอบอัมบุตรเนบัตทั้งยังชักนำให้อิสราเอลทำตามด้วย พวกเขาได้ยั่วยุพระพิโรธของพระยาเวพระเจ้าแห่งอิสราเอลด้วยรูปเคารพอ right ันไร้ค่าเหตุการณ์อื่นๆในราชการของอเมรีพระราชกิจและความสำเร็จทั้งปวงมีบันทึกในจดหมายเหตุกษัตริย์แห่งอิสราเอลมิใช่หรืออเมรีทรงล่วงลับไปอยู่กับบรรพบ ร, รุษและถูกฝังไว้ที่สมารียและอาหับโอรสของพระองค์ขึ้นครองราชแทน อาหับโอรสของอมรีขึ้นเป็นกษัตริย์แห่งอิสราเอลในปีที่38ของราชการกษัตริย์อาสาแห่งยูดาทรงครองราชอยู่ในสมารีและทรงปกครองอิสราเอลอยู่22ปีอาหับโอรสของอมรีทำสิ่งที่ชั่วในสายพระเนตรขององค์พระผู้เป็นเจ้ายิ่ยงกว่ากษัตริย์องค์ก่อนๆ อ, อาหับไม่เพียงเห็นว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยที่จะทำบาปต่างๆ ต, ต, ตามเยโรโบอัมบุตรเนบัต แต่พระองค์ยังอภิเษกกับเยเซเบลธิดาของกษัตริย์เอธบาอัลแห่งไซดอนและทรงเริ่มปฏิบัติและนมำสการพระบาอันอาหับทรงสร้างแท่นบูชาสำหรับพระบาอันในวิหารของพระบาอันที่ทรงสร้างขึ้นในสมารีนอกจากนี้อาหับยังทรงสร้างเสาเจ้าแม่อาเชรา และยั่วยุพระพิโรธของพระยาเวพระเจ้าแห่งอิสราเอลยิ่งกว่ากษัตริย์อิสราเอลองก่อนๆทุกองในรัชการของอาหับฮีเอลจากเบ็ดเอลสร้างเมืองเยริโคขึ้นใหม่เมื่อวางรากฐานเขาต้องสูญเสียอาบีรัมบุตรหัวปีและเมื่อติดตั้งประตูเมืองเขาต้องสูญเสียเซกุบบุตรคนสุดท้อง ทางนี้เป็นไปตามพระดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่ตรัสผ่านทางยูชัวบุตรนูนพี่น้องครับผมอยากจะให้หัวข้อพระวจนะของพระเจ้าในตอนนี้ก็คือทำชั่วยิ่งกว่าพี่น้องครับเราจะเห็นวิวัฒนาการของการทำชั่วทำบาปมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆในรัาการกษัตริย์ของอิสราเอลฝ่ายเหนือ วันนี้เราพบกับกษัตริย์2องค์เป็นพ่อลูกกันครับแล้วตัวพ่อนี้ก็แย่งชิงสมบัติมาจากกษัตริย์ศิ ม, มรีและศิ ม, มรีก็ต้องจุดไฟเผาวังและคลอกฆ่าตัวเองตายและนี่แหละครับคือที่มาของกษัตริย์อมรีอมรีขึ้นมาอมารีก็ไม่ใช่ง่ายนะครับเพราะว่าต้องป ร, ราบกบฏอีกเหมือนกัน กบฏนั่นก็คือฝ่ายสนับสนุนทิปนี่บุตรกินัตแต่ว่าอัมรีนั้นพอดีว่าเขาเข้มแข็งกว่าเขาก็เลยชนะทิปนี่ก็เลยถูกฆ่าตายและอัมรีก็กลายเป็นกษัตริย์ครับเมื่ออัมรีเป็นกษัตริย์นั้นก็ตรงกับปีที่31ของอาศาแห่งยูดาห์ก็คือกษัตริย์ฝ่ายใต้ครับเราจะเห็นว่ากษัตริย์ฝ่ายใต้นั้นถูกอ้างอิงเสมอในขณะที่กษัตริย์ฝ่ายเหนือนั้นก็ เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วเห็นถึงราชวงศ์ฝ่ายเหนือนะครับก็เปลี่ยนราชวงศ์อยู่เรื่อยเพราะว่าเกิดการกบฏเกิดการล้มล้างเกิดการปราบดาพิเศษขึ้นเป็นกษัตริย์ครับและเพราะอจนระของพระเจ้านั้นก็บันทึกถึงวีลกรรมนะครับความจริงไม่ใช่วีลกรรมครับต้องเป็นธุรกรรมธุรกรรมของอามารีในขณะที่เขาเป็นกษัตริย์โดยเขาซื้อภูเขาสมารียจาก เชเมอร์คนที่ชื่อว่าเซเมอร์นั้นก็ขายภูเขาแล้วก็สร้างเมืองขึ้นบนภูเขานี้อเมรีสร้างเมืองขึ้นบนภูเขานี้แล้วขนานนามว่าสมาเรียซึ่งเซเมอร์เจ้าของเดิมนั้นตั้งชื่อไว้แต่มารีนั้นพระกัมภีบันทึกว่าทําสิ่งที่ชั่วในสายพระเนตรขององค์ผู้เห็นเจ้าและทำบาบยิ่งกว่าบาบยิ่งกว่าบาบยิ่งกว่าพี่น้องครับทําบาบยิ่งกว่ากษัตริย์องค์ก่อนๆทุกองค์ อมรีนั้นก็ดําเนินวิถีทั้งสิ้นและทําบาปแบบเดียวกับเยโรอัมพี่น้องจะสังเกตว่าเยโรมนั้นถูกถูกพระคัมภีร์นั้นใช้เป็นตัวอ้างอิงความชั่วร้ายครับเปรียบเทียบกับเยโรอัมทําแบบเดียวกับเยโรอัมชื่อของเยโรอัมนั้นเป็นชื่อเสียครับไม่ใช่ชื่อเสียงเป็นชื่อเสียที่เป็นมาตรฐานแบบเดียวกับความบาปที่ทําแบบเดิมๆนี้คือได้ยั่วยุองค์พระผู้เวรเจ้าด้วยการชักนํา ให้ประชากรอิสราเอลชนชาติของพระเจ้าที่พระเจ้าทรงเลือกสรรทรงทําพันธสัญญาไว้ด้วยนะครับให้หันเหออกจากทางของพระเจ้าและไปกราบไหว้รูปเคารพที่ไร้ค่าที่ไร้ค่าจริงๆครับพี่น้องและพระเจนะของพระเจ้าได้บันทึกว่าเหตุการณ์ต่างๆเหตุการณ์อื่นๆในราชการอเมรินี้นะครับก็บันทึกไว้อยู่ในจดหมายเหตุกษัตริย์องค์แล้วองค์แล้ ว, ม า, ลวมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไป ตามวาระที่พระเจ้ากําหนดไว้แต่สิ่งที่ถูกบันทึกไว้ที่เป็นหลักฐานจนท่านถึงทุกวันนี้ได้อ่านไปคนอ่านทั่วโลกทุกยุคทุกสมัยก็คือเห็นถึงความชั่วร้ายของกษัตริย์อมรีและไม่เพียงแต่เท่านั้นครับอมรีก็ยังมีญายาทที่เลวร้ายยิ่งกว่าครับชั่วร้ายยิ่งกว่าทําบาญยิ่งกว่านั่นก็คือกษัตริย์อาหับครับพี่น้องครับเราจะมาดูกันว่ากษัตริย์อาหับนั้นคือคือใคร กษัตริย์อาหับนั้นเป็นโอรสของอามารีนะครับและขึ้นเป็นกษัตริย์แห่งอิสราเอลในปีที่38ของราชการอาสาแห่งยูดาพี่น้องเลยจะเห็นนะครับว่าอิสราเอลฝ่ายเหนือกับอิสราเอลฝ่ายใต้นั้นเวลาที่ใครขึ้นปกครองนั้นก็จะมีการรีเฟอร์อ้างอิงถึงอีกฝ่ายหนึ่งตลอดเวลาเพื่อเป็นการยืนยันความถูกต้องของการบันทึกของประวัติศาสตร์หนึ่งพงกษัตร์นี้เองเราพบว่ากษัตริย์อาสาแห่งยูดานั้นของราช อยู่ในปีที่38ตอนที่กษัตริย์อาหับขึ้นมาครองราชแล้วกษัตริย์อาหับนั้นก็ครองราชอยู่ย2่ปีในขณะที่พ่อของตัวเองนั้นครองราชอยู่12ปีครับอาหับนั้นเป็นกษัตริย์ที่เลวร้ายมากที่สุดและอาหับนั้นก็ยังมีภรรยาชื่อเยเซเบลเป็นมเหสีซึ่งเป็นลูกสาวของกษัตริย์เอ็ดบารัตแห่งไซดอนพี่น้องครับ กรุณาจดจําคําว่าเยเซเบลให้ดีครับเพราะว่าเยเซเบลนั้นจะมีปัญหากับผู้รับใช้ของพระเจ้าครับก็คือเอลียาผู้เป็นประกาศกของพระเจ้าหรือผู้พยากรณ์ผู้เผยพจนะของพระเจ้าพี่น้องครับอาหับนั้นอภิเสกกับเยเซเบลและเริ่มปฏิบัติน้วัตการพระบาอันเป็นคนที่ชักนําพระบาอันเข้ามาในดินแดนอิสราเอลฝ่ายเหนือครับและกษัตริย์อาหับ นอกจากจะเป็นผู้ที่ชักนำบาอันซึ่งเป็นกษัตริย์ของชาวไซดอนก็ยังดำรงไว้ซึ่งเจ้าแม่อาเชราเหมือนเดิมและความผีบรบันทึกว่าเขานั้นได้กระทําการยั่วยุพระพิโลธของบยาเวพระเจ้าอิสเซลยิ่งกว่ากษัตริย์องค์ก่อนๆทุกองค์ยิ่งกว่าชั่วร้ายกว่าพี่น้องครับในรัชการของอาหับนั้นก็มีการสร้าง เมืองเยรรโคซึ่งเป็นเมืองต้องห้ามเมืองต้องห้ามนี้ถูกทําลายลงไปแล้วและพระเจ้าไม่ให้ใครสร้างและพระเจ้าบอกว่าใครสร้างเมืองเยรรโคขึ้นมาพระเจ้าจะสาปแช่งพี่น้องครับมีคนพยายามสร้างเยรรโคขึ้นมาใหม่ก็คือฮีเอลจากเบ็เอลครับฮีเอลชาวเบ็เอลนั้นก็สร้างเมืองเยเรโคขึ้นมาใหม่วางรากฐานเวลาที่วางรากฐานนั้นต้องสูญเสียบุตรหัวปีเมื่อติดตั้งต ประตูเมืองเสร็จก็สูญเสียบุตรคนสุดทองทางนี้ทั้งนั้นก็เป็นไปตามพระดารัสของพระเจ้าที่จัดผ่านโยชัวบุตรนูนพี่น้องครับเพราะเจ้าของพระเจ้าที่พูดถึงกษัตริย์สององค์นี้คืออัมรีและอาหับนั้นในเช้าวันนี้มีบทเรียนอะไรเกิดขึ้นบ้างเราจะเห็นว่าเมื่อกษัตริย์อัมรีขึ้นครองราชนั้นมีความขัดแย้งทางการเมืองสูงครับและเมื่อ ซิมรีฆ่าตัวตายกองทัพอิสราเอลก็เลือกอัมารีซึ่งเป็นแม่ทัพขึ้นมาเป็นกรรษัตริย์องค์ต่อไปทิปนี่คู่แข่งคนสำคัญของอัมารีก็ถูกฆ่าตายหลังจากนั้นอัมารีก็เริ่มต้นรัชการที่ชั่วช้าตลอด12ปีที่อัมารีปกครองอยู่แม้ว่าเขาจะเป็นผู้นำที่ฉลาดและมีความสามารถเขาสร้างกรุงสมารีเป็นเมืองหลวงแห่งใหม่เสริมอาณาจักรให้เข้มแข็งทั้งการเมืองการทหารแต่ แต่กษัตริย์อมรีไม่สนใจในสภาพจิตวิญญาณของประชากรของพระเจ้าครับเขาจงใจนำอิสราเอลให้ออกห่างจากพระเจ้าเพื่อให้ตนเองมีอํานาจมากขึ้นนั่นคือดําเนินวิถีทางการเมืองแล้วก็ไปเบียดบังศาสนาเอาศาสนาเอาพระเจ้าออกจากหัวใจของประชากรของพระเจ้าหลอกลวงประชากรของพระเจ้าให้ประชากรของพระเจ้านั้นหลงไปครับหลงไปยึดติดอยู่กับบางสิ่งบางอย่างซึ่งไม่ใช่พระเจ้า นั่นคือรูปเข่ารบครับพี่น้องครับเราจะเห็นว่าหลายหลายครั้งทีเดียวในทุกวันนี้ครับผู้นำนาประชาชนอิสราเอลหรือประชากรของพระเจ้านะครับได้ออกจากหลักการความจริงของพระเจ้าไปติดอยู่กับวัตถุนิยมไปติดอยู่กับโลกไปติดอยู่กับวิธีการต่างๆที่ไม่ใช่เป็นวิธีการของพระเจ้านั่นคือสิ่งที่น่าเสียใจเป็นอย่างยิ่ง แม้ว่าอามารีซึ่งเป็นเมืองหลวงใหม่ทําให้เขาได้รับผลประโยชน์ทางการเมืองเขามีอํานาจปกครองเด็ดขาดครับและสมาเรียนั้นตั้งอยู่บนภูเขาสูงทําให้ป้องกันเมืองได้ง่ายโดยชายภูมิแล้วโอ้เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยแต่อามารีนั้นก็ตายก่อนที่จะสร้างเมืองเสร็จครับและก็มอบราชสมบัติให้กับอาหับโอรสสร้างต่อจนเสร็จพี่ยงครับ เป็นราชวังงาช้างที่สวยงามซึ่งบันทึกอยู่ในพระธรรมหนึ่งพงษ์กษัตริย์บทที่22ครับและรวมทั้งวิหารของพระบาอันด้วยอันนี้คือหนองที่อยู่ในเนื้อครับเป็นโรคร้ายเป็นเชื้อร้ายที่แฝงตัวอยู่ในอิสราเอลฝ่ายเหนือจนกระทั่งในที่สุดนั้นอิสราเอลฝ่ายเหนือต้องล่มสลายในที่สุดพี่น้องครับเมืองหลวงของอิสราเอลนั้นก็คือสมารียในที่สุดพ่ายแพ้ต่อชาวอัสเซเรีย ในปี722ก่อนคศนั่นคือความเลวร้วายที่เกิดขึ้นครับกษัตริย์อาหับนั้นเป็นกษัตริย์ที่ชักนำพระบาอันเข้ามาในประเทศอิสราเอลฝ่ายเหนือและทำให้อิสราเอลฝ่ายเหนือในที่สุดนั้นล่มสลายทั้งชนชาติ10เผ่าไม่เหลือเลยไม่เหลือเลยครับพี่น้องครับนั่นคือบทเรียนในเช้าวนันนี้เราจะต้องระวังครับ ที่จะไม่ให้พงพันธ์วงวานของเราได้แปดเปื้อนไปกับสิ่งต่างที่เป็นรูปเคารพสิ่งต่างที่ไม่ใช่พระเจ้าสิ่งต่างที่หันเหความเชื่อมั่นศรัทธาในพระเจ้าของเราให้สูญเสียไปขอพระเจ้าช่วยเราครับและเสริมกำลังพี่น้องทุกท่านอาเมน